วันนี้เป็นวันจันทร์ที่28สกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดทำงานเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ อัธาชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรม และมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้การศึกษาและการปฏิบัติธรรมมีการแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันคือช่วงสามสิบนาทีแรกจะเป็นช่วงของการศึกษาธรมรมคือฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสติปัญญาความรู้ที่ถูกต้อง ที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆช่วงที่สองก็จะเป็นอีกสาสนาทีก็จะเป็นช่วงที่จะมีการนั่งสมาธิช่วงปฏิบัติธรรมสร้างธรรมที่ยังไม่มีในใจให้เกิดขึ้นคือความสงบความสุขและอุเบกขา ที่จะเป็นพลังของจิตในการดับกิเลสดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ธรรมะที่จะเอามาแสดงในวันนี้มีชื่อว่าทางสายกลางหรือมัชิมาปฏิปทาเป็นทางที่พระพุทธเจ้า ได้รงค้นพบที่สามารถนำพาผู้เดินในทางนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ให้เข้าถึงวิมุตตินิพพานสถานที่ที่มีแต่ความสุขตลอดอนันตการการการที่ทรงเรียก ทางที่พระองค์ได้ทรงค้นพบว่าเป็นทางสายกลางนี้ก็เพราะว่ามีทางอีกสองทางด้วยกันที่มีผู้พยายามจะดำเนินจะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งทางทั้งสองทางนี้พระองค์ก็เคยทรงทดลองมาด้วยพระองค์เองก่อนแล้วและทรงเห็นว่าไม่สามารถ นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียกว่าทางสุดตรงสองทางด้วยกันทางหนึ่งก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการใช้ความสุขจากการเสพกลางจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าชนิดต่าง มากำจัดความทุกข์ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปทางนี้ก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้ตลอดเวลากำจัดความทุกข์ได้ชั่วคราวเช่นเวลามีความทุกข์ใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายหรือความพลดภลาดจาก บุคคลลรืสิ่งที่รักที่ชอบหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่ปรานาพอได้ไปเสพรูปเสียงกินรสได้ไปดื่มไปรับประทานได้ไปดูไปฟังมหรสพบันเทิงต่างๆหรือได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็อาจจะบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ชั่วคราว มีความสุขเพื่อเพลินกับการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะแต่พอหยุดเสพความสุขเหล่านี้ก็จะหายไปความทุกข์เก่าที่เคยมีอยู่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโลิตภัเพียงแต่มากลบความทุกข์ไว้ชั่วคราวทั้นเองทําให้ความทุกข์นี้ไม่สามารถแสดงตัวขึ้นมาได้ แต่พอความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดสิ้นสุดลงความทุกข์ที่ถูกกลบเอาไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้พระอค์ก็เคยใช้ทางนี้ในตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆมีปราสาทสามฤดูไว้ประทับเพื่อบันให้ความสุข กอปรับกับบรรยากาศ อ, อของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปอยากร้อนเป็นหนาวจากหนาวเป็นหน้าฝนก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ไปให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะที่ไม่มีความทุกข์จึงมีปราสาทสามดูๆไว้ช่วยบรรเทาความทุกข์จากดินฟ้าอากาศ ม, มีที่ประทับสำหรับฤดูหนาวมีที่ประทับสำหรับฤดูร้อนมีที่ประทับสำหรับฤดูฝนเป็นต้นแต่การใช้ความสุขเหล่านี้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยในใจได้ก็ยังต้องทุกข์กับเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายอยู่มี รูปเสียงกินลดหลากหลายชนิดให้พระองค์ได้ทรงเสกมีบริษัทมีบริวารมาคอยรับใช้มาร้องลําทำเพลงมาแสดงละครแสดงอะไรต่างๆให้ชมให้เพลิดเพลินก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวพองานเลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ความทุกข์ความเศร้าความว้าเหวก็จะเข้ามาแทนที่เสมอ พระองค์ยังทรงเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การใช้การมาสุขมาดับความทุกข์นี้ดับไม่ได้พระองค์ก็เลยเห็นว่าการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องไปเป็นนักบวชไปปฏิบัติ ทำจิตใจให้สงบก็ทรงสามารถปฏิบัติทำจิตให้ใส่ให้สงบได้เป็นครั้งเป็นคราวเวลาจิตสงบความทุกข์ใจต่างๆก็หายไปเวลาออกจากความสงบมาพอจิตเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆเจ็บสัมผัสกับรูปเสี ย, สยกกงกยลิ่นรสต่างๆความทุกข์ที่เคยมีก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ ก็เลยส่งลองทดลองวิธีที่นักบวชมักจะใช้กันที่คิดว่าเป็นวิธีที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ทวีวิธีท ร, รมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นเอาของแหลมของคมมาขูดมาขีดมาทิ่มมาแทงร่างกายเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วคิดว่าเมื่อได้สัมผัสกับความเจ็บปวดแล้ว ทนอยู่กับความเจ็บปวดได้แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่ความทุกข์ใจก็ไม่หายอีกเพราะว่าการไปทำให้ร่างกายเจ็บปวดนี้ไม่ได้ไปหยุดเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เหตุที่ทำให้ใจทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่การเจ็บปวดของร่างกายแต่อยู่ที่กิเลสตัณหา ที่ตอนนั้นพระองค์ยังไม่ทรงค้นพบว่าเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ต่างหาที่ทําให้ใจทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความเจ็บอะไรก็ตามของร่างกายถ้าสามารถอยู่กับมันทนกับมันอยู่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าใจจะไม่ทุกข์กับมัน ใจก็ยังทุกข์กับมันอยู่เพราะใจยังมีความอยากไม่เจ็บอยู่นั่นเองเมื่อได้ส่งทดลองวิธีการทรมานร่างกายเช่นทรงอดพกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกความทุกข์ในใจก็ยังไม่หายไปความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ยังไม่หายไป เพราะว่าการทรมานร่างกายไม่ได้ไปทำให้เหตุที่ทำให้ใจทุกข์นั้นหายไปนั่นเองเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายองค์ก็เลยทรงหยุดการใช้วิธีการทรมานร่างกายเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ทางใจแล้วหันกลับมาทดลอง อีกวิธีหนึ่งที่ยังไม่เคยทดลองมาก่อนก็คือวิธีของมัชิมาปฏิปทาของทางสายกลางนี้ด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสมถภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิให้มีอุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมา ก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าใจทุกข์ได้อย่างไรทุกข์อะไรทําให้ใจทุกข์ก็ทรงเห็นว่าใจทุกข์ก็จากความอยากสามประการด้วยกันความอยากของใจคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากเหล่านี้ต่าหาที่ทําให้ใจทุกข mm hmm. ์เวลาอยากจะาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วไม่สามารถหาได้ ก็จะเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาเห็นเวลาอยากไปเที่ยวอยากมีแฟนแล้วไม่มีไม่สามารถไปเที่ยวได้ไม่สามารถมีแฟนได้ต้องอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวขึ้นมา <Yeah. S 1> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ก็ทรงเห็นว่าเกิดจากความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ ถ้าไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะไม่ทุกข์<ม>เพราะเราส่งเห็นว่าต้องเลิกความอยากทั้งสามนี้ความอยากอีกอย่างนึงความอยากล่ำอยากรวยอยากอยู่ไปนานๆซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายเป็นของชั่วคราวอยู่ไปไม่ได้นานๆานจะต้องวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันตาย ความอยากอยู่ด้วยทําให้ใจทุกเวลาที่ร่างกายจะต้องตาย<ม>พอ่อก็เลยทรงเห็นว่าตัณหาความอยากคือกามะตัณหาความอยากเศษกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้ตัณหาที่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้และจะหยุดความอยากได้ ด้วยสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีปัญญาที่สอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นทุกข์เช่นอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสั่งไปห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้ พอเห็นว่าถ้าอยากในสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปสั่งได้เ mm hmm. พราะถ้อยากแล้วมันจะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมา mm hmm. ก็หยุดความอยาก mm hmm. ความอยากไม่ตายได้ mm hmm. พอหยุดความอยากไม่ตายได้เพราะรู้ว่าทํายังไง ร, ร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีจะอยากหรือไม่อยากร่างกายก็ต้องตายแต่ถ้าไม่อยากแล้วใจจะไม่ทุกข์ แต่ถ้าอยากนล้วใจจะทุกข์<ม>ก็เลยเห็นว่าความอยากไม่ตายนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์เพราะว่าสิ่งที่อยากให้ไม่ตายคือร่างกายนี้มันต้องตายเป็นธรรมดา ม, มันไม่ใช่มีมันไม่มีมันไม่ใช่เป็นของเราที่เราสามารถสั่งได้ห้ามไดม้พอเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ก็ยอมรับยอมรับว่ามันจะต้องตายถึงเวลาก็ยอมตายพ อ, อยอมตายได้แล้วทีนี้ความทุกข์ใจก็จะหายไปออนี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในขั้นสุดท้ายจนได้พบกับทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพองค์ก็เลยทรงนำเอาทางสายกลางนี้ ที่มีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกันที่เราเรียกว่ามรรคที่มีองค์แปดหรือเรียกสั้นๆว่ามรรคแปดถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้สร้างองค์ประกอบแปดองค์นี้ขึ้นมาในใจให้ได้ถ้ามีองค์ประกอบแปดองค์นี้อยู่ในใจแล้วจะสามารถละความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ พอไม่มีความอยากไม่มีกามา้ทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้ที่เป็นองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางถ้ามีมรรคที่ มีมีมรรคที่มีองค์แปดนี้อยู่ในใจเมื่อไหร่ครบบริบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้วิมุตติถึงพระนิพพานการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงได้เราผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงต้องมาศึกษาว่ามรรคที่มีองค์แปดนี้อะไรบ้าง แล้วพยายามสร้างมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้ครบทั้งแปดองค์ขึ้นมาเมื่อมีครบแปดองค์แล้วก็จะสามารถนำมาไปใช้ในการละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. มรรคที่ไม่ีองค์แปดมีอะไรบ้างองค์แรกเรียกว่าสัมมาทิจจิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็มีความเห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากทั้งสามนี่<ม>เองเกิดจากกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแล้วก็เกิดจากการกระทำบาป<ม>เวลาทำบาปใจก็จะทุกร้อนขึ้นม า, ท, าทันทีเวลาไปขโมยของคนอื่นเขาไปโกหก<ม><ม>ไ ป, ประพติผิดในการ ไปทำอะไรที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ใจจะทุกข์จ้องจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากจะให้ความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นก็อย่าไปทำบาปอย่าทำบาปเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปตัดความอยากต่างๆทั้งสามให้หมดไป ความทุกข์ก็จะไม่มีอยู่ในใจต่อไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเราถ้าอยากจะละความทุกข์ก็ต้องละความอยากความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปถ้าอยากให้ความความทุกข์นี้ไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปทาบาปนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจ มีความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกนี้เกิดจากอะไรทุกเกิดจากความอยากและทุกเกิดจากการกระทำบาปเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะนําไปสู่ความคิดที่ถูกต้องต่อไปความคิดที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกปสัมมาสังกปคือความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรถึงคิดว่าถูกต้องก็คิดว่าจะละบาปนั่นเอง คิดทีาจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจต้องคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่คิดไปหาเงินหาทองมาดับความทุกข์ไม่คิดไปหาแฟนมาดับความทุกข์ไม่คิดไปหารถหรูรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์มาดับความทุกข์สิ่งของเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อยากจะดับความทุกข์ต้องละความอยากหยุดความอยาก หยุดการกระทําบาสนี่คือสัมม า, ส, มมาสังกัปโปความคิดที่ถูกต้องพอเรามีความคิดที่ถูกต้องมันก็จะพาไปสู่การกระทําที่ถูกต้องเพราะการกระทํานี้เกิดจากความคิดก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้เราจะมาวัดเราจะมาวัดได้เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเดี๋ยววันนี้จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม ถ้าเราไม่คิดก่อนเราคิดไม่คิดจะมาวัดเราก็จะไม่ได้มากันอันใดพอเราคิดว่าเราจะต้องละบาปละความอยากเราก็ต้องมาทำกัน<ม>การละบาปละยังไงละด้วยการกระทาที่ถูกต้องก็คือไม่ทําบาปทางกายบาปทางกายก็มีอยู่สามอันด้วยกันคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมก็ไม่ทำบาป เหล่านี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปไปพฤฤฤฤืติวิภิดในการมไม่ยุ่งกับใครไม่เสพกรรมได้ยิ่งดีอยู่แบบพรหมจรรย์อยู่แบบพระนักบวช <S S S 1> mm hmm. แล้วก็นำไปสู่การพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องของนักบวชก็มีอยู่สี่คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้เจ้ ไม่พูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีนี่คือการการพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องสามมากรรมโตคือการกระทําที่ถูกต้องเป็นองค์ที่สามองค์ที่สี่ก็สามมาวาจาการพูดที่ถูกต้องต้องพูดแต่ความจรงิงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้เจพูดเรื่องไร้สาระต่างๆ แล้วก็ไม่พู ด, ดยุยงให้คนอื่น<ม>เขาแตกแยกสามัคคีกันโกรกเกียดกัน<ม>นี่คือมรรคที่มีองค์แปดองค์ที่องค์ที่ 4, สี่สัมมาวาจาแล้วองค์ที่ห้ามรรคองค์ที่ห้าเาเรียกว่าสัมม า, าชิวให้เลี้ยงชีพโ ด, โดยไม่ไปสร้างความเบียดเบียนผู้ ทำมาหากินก็อย่าไปทําให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้เช่ mm hmm. นทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. ถ้าเป็นนักบวช mm hmm. ก็ให้ทำอาชีพด้วยการบินธบาตต mm hmm. อนเช้าก็ออกไปถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านรับอาหารจากผู้ที่มีจิตศรัทธา mm hmm. ยินดีตามมีตามเกิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาชีโว จะทำอาชีพที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนอกจากอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอาชีพขายสุรายาเม า, า ย, ยาเสพปิดอาชีพขายขายยาพิษต่างๆที่เอามาใช้ฆ่ า, มาแมลงสัตว์นี้เป็นต้นอาชีพเหล่า น, นี้ไม่ควรจะทำอาชีพใดที่จะทาให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายก็ไม่ให้ทำาี่เรียว่าสามาอาชีพ เราทำแล้วจะทำให้ใจไม่สบายจะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมานี่คือการดับทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปมีอยู่สามข้อสามมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสามม า, าชีวการมีอาชีพเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเราก็จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้ส่วนความทุกข์ที่เกิดจาก ความอยากนี้เราต้องมาตั้งมรรคอีกสามองค์ขึ้นมาให้ได้คือองค์ที่หกคือสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรชอบนี้ให้เพียรอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความเพียรชอบก็เพียรเจริญสติเพียร น, นั่งสมาธินีเ่เพราะถ้าใจไม่มีสติไม่มีสมาธิใจจะไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุข ใจจะไม่สามารถสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้แต่ถ้าใจมีสมาธิมีความสุขมีอุเบกขาวางเฉยได้ใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ใจก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้สัมมาวายามมก็คือเพียงเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นมาก็ผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐาน อันนี้เป็นการเจริญสติการสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆให้รู้แต่ไม่ให้คิดใจมีความสามารถอยู่มีทั้งความความสามารถที่จะคิดและมีความสามารถที่จะรู้แต่ส่วนใหญ่ใจมักจะไปคิดเลยทำให้สร้างความทุกข์ให้กับใจ เพราความคิดนี่เป็นเครื่องมือของกิเลส ข, ของความโลภความโกรธความหลงของความอยากนั่นเองพอคิดถึงขนมก็อยากกินขนมขึม้นมาพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูภาพยนตร์พอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากไปเที่ยวต้องคอยควบคุมความคิดเหล่านี้ไม่ให้นําไปสู่ความอยากต่างๆด้วยการผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ<ม>ช่น คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธเราสามารถใช้คำบริกรรมพุทธโธเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราใช้พุทธโธ ท, ท่องไปในใจเรื่อยๆอาบน้ำน้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธไปหลังเนื้อแต่งดูงดก็พุทธโธไปรับประทานอาหารก็พุทธโธไปทำความสะอาดบ้านกับพุทธโธพุทธโธไปคอยสกัดกั้นความคิดไม่ให้คิด แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาจเจริญสมาธิด้วยการใช้คำในการพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ <Yeah. S 1> ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าต้องคอยดูลมก็จะไปคิดไม่ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้ดูลม ต้องดึงใจกลับมาพอไปอยู่กับความคิดก็ดึงใจให้กลับมาให้มาอยู่กับลมถ้าสามารถถูกใจให้อยู่กับลมไปได้นานๆใจก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาสงบนิ่งเกิดความสุขที่เหนียวกับความสุขทั้งปวงเกิดเกิดอุเบกขาใจที่ปราศจากความรักชังกลัวหลวงพอมีใจที่เป็นสมาธิเรี่กเป็นสัมมาสมาธิแล้ว ด้วยด้วยการเจริญสัมมาสติสัมมาสติก็คือการผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาใดที่ไม่มีการเจริญสตินอกจากเวลาหลับเท่านั้น <Yeah. S 2> ถ้าสามารถเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเวลานั่งสมาธิก็เจริญสติอนาปนาสติหรือพุทธานุสติบริกรรมพุทธโธไปหรือดูลมหายใจไป ไม่ช้าก็เหลวใจก็ต้องรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอัปปนาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องที่มีอุเบกขาที่มีความสุขที่มีพลังที่จะไปหยุดความอยากต่างๆที่เราได้เรียนรู้จากสมมาธิทฐิว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากต่างๆถ้าใจมีสมมาสมาธิที่เกิดจากสัมมาสติสัมมาวายาโมใจก็สามารถที่จะไปกาจัดความอยากต่างๆ เวลาที่มันโผล่ขึ้นมาได้ทุกครั้งที่ความอยากโผลขึ้นมาก็หยุดความอยากได้จนกระทั่งไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นเข้าสู่พันธิพานได้ทันทีพอไม่มีความทุกข์เหลืออยู่แล้วใจก็เข้าสู่พันธิพานไปยุติการมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่แหะคือมรรคแปดมรรคที่พระเจ้าทางที่พระเจ้าได้ส่งคนพบแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นำเอาไปศึกษาให้นำเอาไปปฏิบัติให้เจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้อย่าไปใช้ทางสุดตรงสองทางด้วยกันคือ ด, ดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการหาเงินหาทองมา ใช้เพื่อดับความทุกข์เพืสร้างความสุขจากเงินทองความสุขที่ได้จากเงินทองไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เพียงแต่กลบเอาไว้ได้ชั่วคราวพอเงินทองหมดเมื่อไร่ความทุกข์ก็จะผล่ขึ้นมา ท, าทันทีแล้วก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ด้วยการทรมานร่างกายให้เจ็บปวดเพราะร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนใจก็ยังทุกข์อยู่เพราะว่า ความเจ็บป่วยของร่างกายไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัวความอยากไม่เจ็บต่างหากอันนี้คือมรรคที่มีองคศาที่เรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่นํามามาฝากท่านในวันนี้ถ้าท่านอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ขอให้สร้างมรรคที่มีองคศานี้ขึ้นมาสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังคโปความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมความเพียรพยายามที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องสัมสมา ส, like ส, สมาธิคือความสงบนิ่งของใจที่ถูกต้อง ที่เป็นอุเบกขาถ้ามีมากที่เป็นครบทั้งองค์แปดแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความอยากและเกิดจากการกระทำบาปก็จะหมดสิ้นไปจากใจอย่างแน่นอนพอได้หมดสิ้นไปจากใจของพระพุทธเจ้าแล้วและได้หมดสิ้นไปจากใจของพระอาหารหันตาสาบุกผู้ที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนําำอาไปปฏิบัติจนสามารถทําให้ความทุกข์ใจที่มีในใจของท่านนั้นหายไปหมด นี่คือเรื่องของมรรคแปดหรือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาลำดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมเราจะมาเจริญสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสามองเลยเรามาทําความเพียรกันเพียรเจริญสติให้ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐาน องใดองหนึ่งจะผูกไว้กับพุทธโธก็ได้ผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าใจยังคิดมากอยู่ไม่สามารถผูกอยู่ให้อยู่กับพุทธโธได้ผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ก็ให้ผูกไว้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนสวนบทไหนก็ได้สวนบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทอิติพีเศโสก็ได้สวนบทอาการสาสิบสองของร่างกายก็ได้ บทไหนก็ได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเบาจะเย็ยนลงความคิดจะน้อยลงแล้วสามารถเปลี่ยนมาดูลมหายใจได้หรือบริกรรมพุทธโธได้ก็เปลี่ยนมาเพราะการสวดมนต์อย่างเดียวนี้จะไม่นำให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ต้องดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทธโธหรือถ้าท่านใช้กรรมฐานอย่างอื่นแล้วได้ผลดี ทำใจให้นิง่งให้สงบให้เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาได้ก็สามารถใช้กรรมฐานของท่านที่เคยใช้มาได้ไม่จาเป็นจะต้องใช้กรรมฐานที่ได้แสดงไว้ในตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการนั่งสมาธิท่านเองว่านั่งสมาธินี้ต้องมีสัมมาสติคือจะต้องเนืุกรู้อยู่กับกรรมฐานอย่าไปอยู่กับความคิดปุงแต่งต่างๆจนกว่าจิตจะนิง่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมา เป็นความสุขที่เหนือกวความสุขทั้งปวงอันนั้นก็จะได้สัมมาสมาธินี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติคือให้ได้สัมมาสมาธิด้วยความพยายามความเพียรเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายและได้รวดเร็ว นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆโดยไม่มีอะไรผูกไม่มีสติกากับใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์อารมณ์ของกรรมฐานเวลาเวลานั่งถ้ามีอะไรมาปรากฏใ ห, ห้ให้รู้ให้เห็นก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้พอพอรู้ป่าว่าเราไม่ได้อยู่กับนมนะต้องรีบกลับมาอยู่ที่ลมทันที กลับมาอยู่ที่พุทโททันทีหยุดมาที่การสวดมนต์ทันทีอย่าไปตามรู้กับความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นอะไรมาจากไหนดีไม่ดีอย่างไรอย่าไปสนใจอย่าไปปรุงแต่งรื้อเรื่องใจกลับมาอยู่ที่กรรมาฐานถ้าสวดมนต์ก็กลับมาที่การสวดมนต์ถ้าดูลมก็กลับมาที่ดูลมถ้าบริกรรมพุโทโธก็กลับมาที่บริกรรมพุทธโธให้อยู่กับอารมณ์อย่างเดียว อารมณ์ของกรรมฐานอย่างเดียวใจถึงจะสงบเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาได้ถ้ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสลบการนั่งสมาธิก็ได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูวิธีนั่งว่านั่งแล้ววันนี้สงบดีไหม ถ้าสงบดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้เอาไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำใจให้สงบจะต้องนั่งวิธีที่ถูกต้องเช่นวันนี้นั่งแล้วสงบก็จดจำวิธีนี้ไว้แล้วคราวหน้าก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้ถ้าวันนี้นั่งแล้วยังไม่สงบก็สแสดงว่าส ต, ตยิยังมีไม่พอ ก็ควรจะเจริญสติให้มากขึ้นด้วยการเจริญทั้งวันในระหว่างวันมีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้และต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวารวะหาปุราปะริปุเรนติสขาขัง เอวเมววิโตทินังเปตาณังอุปการปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมววัสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะรัโสยถามณีโชติรัโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินัสสตุ มาเตผวะตวันตาลายยสุขีธีขาโยโผวะอภิวาทนศิลิศมิจังอุทาปจายโนจตารโอธรมะวะทานติอายุวันโสุขังภาลาง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดที่จะตอบคำถามให้เพราะถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกจะไม่ได้คำตอบจะต้องขออภัยด้วยถ้าอยากจะไม่อยากถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เดี๋ยวนนี้มีชาวต่างชาติอยากจะถามเดียว ่าไปก่อนนี้ว่าวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่กาบเรียนกับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบ o o k พระอาจารย์สุชาติ265ท่านทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติ325ท่านทาง y o u t u ด e อกเรวี47ท่านทางวิทยุออนไลน์11ท่านทางขับ h ฮ u ส e 4ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ 136สสิบกท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบแปดท่านครับลงมากระพริบหน่ก็ไ you have a question yes <ma'> I will try with some yes I will try with some last time I failed out a little bit too shy but I was thinking about under the COVID time So Covid nineteen. It was a lot of people here in Thailand who get depression and and down. And now I feeling a little bit same here in Thailand. People begin to go up, up about the ward now. How to thinking to to take care this, not go down and not go depressed and not go psychological problem. I see the problem with depression is you. Cannot do what you wanted to do. So during COVID time, you c o u l d n o t go out and do what you usually like to do. So you become depressed. Yeah. The way to overcome this depression is to stop your wanting to go out by practicing meditation instead. Like me, I didn't go out, so I didn't have any problem with COVID 19. I can be happy where I am because I can calm my mind, make myself happy. Without having to go outside to make me happy. Okay. So people have to change the way of making themselves happy. Instead of going outside, they should come inside with yeah, meditation. Yeah. s so you, you think it will not be the same problem now? w i l l e people get a little bit depressed it, from the from the war now and and yeah. and push them down. It will be the same thing again, like COVID. And yeah, they yeah. cannot do what they used to do. Okay. But if they know how to meditate, then they can replace their happiness with meditation. Okay. Okay. Okay. How? Uh, I am born in a Christian uh, Baptist family, and uh, there we have the in the Baptist we have the ten s e n t i s t the ten word for how to live, and I have tried to. Read about Buddhism's way to live, and I find they are quite similar in in in the rule how we should behave as people. Are you same of same? Yes, the Ten Commandments and the Buddhist precepts are the same. Yeah. To prevent us from hurting other people. It's not so big different. No, not different at all. It's no, no. I, I feel also when I read it. Do not history. kill. Do not. Still, do not lie, do not commit adultery. Yeah, yeah. It's the same in Buddhism. Yeah. Uh, another question is, how do you monks d i s c u s s i n about the the world, how it looks today, uh, and what's happened in the world? I, I feel in in the Christian world and other world, it's people lost a little bit of the. Of the mind of the god and sworn, and go for themselves, and then they get lost, and they find something like Trump or other idiot things that they begin to follow instead, mm -hmm. because we people need something. That's right. How how are you discussing what you can do for Thailand? It not go the same way. Like I do every day here is to teach people to meditate. Once they can meditate, then they can be happy on their own. They don't have to rely on anybody or anything. Yeah. Yes. Okay. That's all you need to do: meditate, make okay. yourself happy. h yeah, Once yeah. you're happy, you can live like a monk or become a monk. Okay. Okay. Khapongkrap. <laughs> <laughs> uh, okay. How long you been in Thailand? How long you live in Thailand? Uh, I have not lived a long time in Thailand. I. I am here now for two and a half months, mm -hmm. and uh, I have been many, many times before. But uh, we are here and now live here, and then we will move to Sweden together. Sweden. So we just we just come here and waiting for the passport for her to Sweden to come that we can go back again. Okay. Great. But we will be here maybe one year. We will see. All right. Okay. Hope you enjoy your stay here. Yeah. มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนากุติคุณเดียวฝากถามเข้ามาว่านั่งภาวนาใช้คำบริกรรมพุทโธเรารู้สึกว่าตัวเองไปข้างหลังสามครั้งแต่ก็ยังรู้สึกตัวคำภาวนาก็ยังพุทโธอยู่ แบบนี้ถือว่าเผลอหลับหรือเปล่าคะแต่สติก็ยังไม่รู้จักคันภาวนาพุโทโธค่ะถ้าสติไม่ค่อยมีมากถ้าสติมากั่งกายจะนั่งเฉยๆแต่ถ้าสติน้อยมันก็จะเอนไปเอนมาได้แต่ถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็ยังไม่หลับคำถามจากอินบ็อกชาค่ะคุณชัยันถามเข้ามาว่ากราบเรียนพระอาจารย์ครับ ผมเจองูในบ้านพยายามรัด ก, กินตุ๊กแกอยู่และมีตุ๊กแกอีกตัวพยายามช่วยเหลือเพื่อนของมันผมเห็นแล้วสงสารชิงช่วยตุ๊กแกตัวที่โดนรัดโดยจับงูบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วนำไปปล่อยในป่าอย่างปลอดภัยขอถามพระอาจารย์ว่าถ้าผมจับงูแล้วทำให้มันตายจากเหตุการณ์ช่วยเหลือตุ๊กแกให้รอดของผม ผมจะได้บาปและผมจะได้บุญจากการช่วยเหลืออย่างไรครับก็ถ้าเราทําให้งูตายเราก็บาปแต่ถ้าเราช่วยชีวิตของตูแกเราก็ได้บุญก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปถ้าไม่อยากได้บาปก็อย่าทําให้งูตายค่ะจากคุณอภิรดีถามเข้ามาสามคำถาม คำถามการเจริญภาวนาใช้หายใจเข้าพุทโธหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหากใจนิ่งแล้วเห็นลมชัดใจไม่ฟุ้งซ่านควรทำอย่างไรต่อข้อหนึ่งพิจารณารมหายใจต่อไปดูดูลมต่อไปไม่ต้องพิจารณาดูเฉยเฉยไม่ต้องคิด ค่ะข้อที่สองพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนวงเล็บใรลักที่เกิดกับความเมื่อยหรือที่ปรากฏตอนนั้นยังไม่ต้องพิจารณาจิตยังไม่สงบเต็มที่ดูไปเฉยๆให้มันสงบให้เต็มที่ก่อนข้อที่สามนำเรื่องที่ติดขัดในใจเช่นการงานคนรอบตัวที่ยังติดขัดหาทางอีกไม่ได้มาพิจารณา ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธินั่งสมาธิไม่ให้คิดไม่ให้พิจารณาให้ดูเฉยๆให้จิตนน่งให้รวมจนสงบเต็มที่แล้วให้มันอยู่ไปนานๆจนกว่าจะถอนออกจากสมาธิมาแล้วจะคิดอะไรก็คิดได้แต่ขณะอยู่ในสมาธินี่ห้ามคิดทั้งนั้นห้ามทำอะไรเอาต้องการให้ใจนิ่งให้ใจมีความสุขให้มีอุเบกขา ค่ะจากคุณสุรีพรขอถามด้วยนะคะว่าในสถานการณ์ที่แถวชายแดนไทยกัมพูชาสําหรับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปควรคิดยังไงเพราะตอนนี้คือนั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยค่ะก็คิดว่าเป็นกรรมของใครกรรมของมันก็แล้วกันมีคนตายอยู่ทุกวันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มีเหตุการณ์ คนตายบนท้องถนนก็มีโอเตอร์ไซค์ถูกรถชนกันก็มีมีตายอยู่ทุกวันพระเจ้าสอนให้เราตรงตายกันยอมรับ <c oughs> ยอมรับความจริงว่า <c oughs> เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยขนาดไหนก็ตายได้ที่โรงพยาบาลนะที่ปลอดภัยที่สุดมีหมอมียารักษาเต็มที่ก็ยังมีตายกันได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาพระเจ้าจบอกเกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนท่านั้นที่ยังไม่มีใครรู้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือต้องตายถ้ายอมรับความตายแล้วก็จะไม่ไม่ทุกข์กับมันใครจะตายเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องที่เขาจะต้องเกิดขึ้นกับเขาเราก็จะเฉยๆไปแล้วหันถ้าหานที่ที่ ที่เสียชีวิตในการดูแลแผ่นดินไทยอะคะ่ะอย่างคนทั่วทั่วไปคนไทยทั่วไปที่รับทราบข่าวแล้วเขาทําบุญอุทิศบุญให้แบบนี้ทางทหารที่เสียชีวิตได้รับบุญไหมคะก็แล้วแต่ว่าเขามารอรับจากเราหรือเปล่า <c oughs> ส่วนใหญ่เขาจะไปรอรับจากญาติพี่น้องเขามากกว่าแต่ก็เราก็อุทิศไปให้เขาได้ส่งไปให้เขาได้แต่เขาจะได้รับหรือไม่นี่เราไ ม, ไม่ไม่มีใครรู้ <c oughs> แต่ถ้าอยากจะดีก็ส่งเงินไปให้ครอบครัวเขาดีกว่าเพราะครอบครัวเขายังอยู่ดูแลครอบครัวของเขาแทนเขาให้ให้เขาอยู่ดีแล้วดวงวิญญาณของคนตายจะได้มีความสุขที่รู้ว่าครอบครัวเขามีคนดูแลไม่มีใครทอดทิ้งครอบครัวของเขาเห็นไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องคนตายมากตายแล้วก็เขาก็ไปของเขาแต่คนอยู่เนะี่ยเป็นคนที่เราจะต้องช่วยกันดูแลต่อไปญาติของพี่น้องที่เขาเศร้าโศกเสียใจ จากการสูญเสียนะเราก็ช่วยส่งเงินส่งเข้าของอะไรไปก็จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจของเขาให้ให้ลดน้อยลงได้เจ้าค่ะจากทาง youtube คุณพิสารกราบนรมาสการพระชาจารการให้ทานและการรักษาศีลจะส่งผลถึงการให้เรามีสติมากขึ้นไหมครับก็มีเพิ่มขึ้นนะ่ยเพราะการยารักษาศีลก็ต้องมีสติ ต้องรู้ว่าเรากําลังทําบาปหรือไม่ทําบาปถ้าไม่มีสติเรามักจะไม่รู้ใช่เวลาเราเมาเนี่ยกินเดืม่มโซลาแล้วเมาก็ไม่รู้บางทีไปทําคนนั้นทําร้ายคนนั้นทําร้ายคนนี้ดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ถามคนเมาดูสิวพาเวลาเขาหายเมาแล้วรู้เปล่าคุณทำอะไรมหมไม่รู้เลยเพราะเขาไม่มีสติยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามให้ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ส่งไปที่พระอาจารย์แม่ตาว่าโง่กับจิงไอตุกแกะค่ะถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วค่ะไม่ไปยุ่งก็ดีไม่ได้บุญไม่ได้บาปเฉยๆไปกลางๆหวาให้เป็นเมนเป็นบุญเป็นกรรมของสัตว์ไปใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถ้าเราไม่ช่วยเดี๋ยวอาจจะมีเทวดามาช่วยแทนเราก็ได้แล้วก็มีบุญถ้าก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะตายเขาก็ไม่ตายแล้วแถ้าเขาถึงเวลาต่อให้ใครมาช่วยก็ช่วยเขาไม่ได้อย่างนี้แล้วถ้าเราไปสมมติไปวัดนะค่ะแล้วเราเจอมดเยอะๆในที่เราพักที่เรานอนนะคะเราโรยแป้งหรือทําอะไรที่มันป้องกันได้ แต่อยาไปทำให้ไม่บาปถ้าเขาไม่ตายถ้าเขาตายก็บาปถ้าเขาตายก็บาปโรยน้อยๆสิอย่าไปโรยมากๆเพอเขาได้กลิ่นเขาก็ถอยเขาไม่หนีอะค่ะไม่หนีก็ก็แล้วแต่เราก็เพิ่มนิดหน่อยเพิม่มเท่านนี้เท่านหน่อยแต่ถ้าตายยังไงก็บาปอ่าตายเพราะเราไม่เจตนาไม่เจตนาค่ะคือเราโรยป้องกันใช่ป้องกันนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่บาปถ้าไม่เจตนาแล้วถ้ามดบนโต๊ะอาหารเยอะๆล่ะคะก็กวาดไปไล่ไป กาดไปแล้วครัขอบคุณมีคำถามจากทางเฟซบุกเจ้าค่ะกราบในมัตกรร า, ารพระอาจารย์สังคมที่ทำงานสร้างปัญหาทางใจให้ระหว่างการทำงานเนื่องจากคำพูดและพฤติกรรมจากคนรอบข้างถ้าจะแผ่เมตตาให้ต้องระบุอย่างไรบ้างครับ เราแผ่เมตตาเขาไม่ได้หรอกเขาก็ต้องแผ่เมตตาให้เราเขาต้องทําพยายามทําตัวเขาไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนอื่นเราทําได้ก็คือทําใจ mm hmm. อุบเบกขาเฉยๆไปเขาทําให้เราเดือดร้อนเราก็ให้อภัยไปนี่ก็เป็นการให้เมตตากับเขาคือไม่ไปด่าเขาไปว่าเขาไปตอบโตเ้เขาเขาทําอะไรไม่ดีก็ปล่อยเขาทําไป เราก็หลบของเราไปอยู่ที่อื่นอถ้าหลบไม่ได้ก็เฉยๆไปหรือว่าเป็นกรรมของเราไปใชขค่ะจากคุณมิน้นลุงที่บ้านสายตามองไม่ค่อยเห็นคนที่บ้านพยายามบอกไปหาหมอไม่งั้นจะสายเกินไปและอาจจะเป็นภาระแต่ลุงกลับไม่ตอบอะไรคิดว่าลุงน่าจะคิดอะไรหลายอย่างในใจ เราในฐานะหลานจะสามารถช่วยลุงอย่างไรได้บ้างคะก็ตามใจลุงเนี่ยลุงไม่ไปก็ปล่อยให้ลุงไม่ไปไปอย่าไปทำให้ลุงไม่สบายใจด้วยการเคี้ยวเข็นบงังคับของเราชีวิตของลุงตาของลุงเป็นของลุงลุงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ส่วนเราที่เราอยากจะให้ไม่เป็นก็าเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระมากกว่าเราจะเป็นภาระไม่เป็นภาระก็เรื่องของเราเองถ้าเราถือเป็นภาระเราก็ได้บุญ ถ้าเราไม่เป็นทาล่เราก็ไม่ได้บุญแล้วก็เป็นคนใจจืดใจดําไปยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมอันนี้ถามได้นะเพรเดี๋ยวเลิกแล้วก็จะเข้ามาถามนี่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะไม่สะดวกอ่าถ้าไม่มีก็เอาเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ